ด, ดีชี้ทางบรรเทาทุกขบรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา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 ฟังที่ครบค่ะเรามาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการสัมสน์สนทนาที่มีดิฉันสัมสนีน่าคงเป็นผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะสถานีวิทยุนี้สังกัดกับกองทัพเรือนอกจากนี้ก็ยังมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก15 4สสถานีค่ะเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่คึกคักมีชีวิตชีวานะคะโดยเฉพาะ การเดินทางไปภาคเหนือดิฉันเองเนี่ยมีภารกิจกับทางคณะนักศึกษารุ่น48คือปี2548ของวิทยาลัยป้องกันราชาณาจักรในการที่หลังจากเรียนจบแล้วก็ยังรวมกลุ่มกันไม่เพียงเพื่อที่จะสังสรรค์สารความสัมพันธ์ที่ได้มีโอกาสรู้จักกันแล้วแต่ว่าไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับสังคมซึ่งเราทาต่อเนื่องมาหลายครั้งนะคะ มุ่งเน้นว่าจะส่งเสริมทางด้านของการศึกษากับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้สะดวกสบายหลังจากที่ได้ทํากิจกรรมภาคอื่นตอนนี้อากาศเย็นเราก็อยากจะขึ้นเหนือเหมือนกับคนอื่นเหมือนกันคือไปทํากิจกรรมที่มีประโยชน์กับคนอื่นตัวเองก็ขอมีความสุสขสักนิดนึงหายใจให้มันชื่นปอดมากกว่าอยู่ในกรุงเทพก็เลยตัดสินใจไปที่จังหวัดพะเยาซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดของที่นั่นเป็นนักศึกษาของรุ่น 2,148 ของมปอเหมือนกันนะคะ ชื่อท่านผู้ว่าเชิดศักดิ์เราไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์เอาคอมพิวเตอร์ไปแจกเป็นสิบเครื่องนะคะนอกจากนั้นก็เป็นอุปกรณ์การศึกษาอย่างอื่นตามความต้องการของทางโรงเรียนซึ่งบางอย่างก็เป็นของง่ายๆพื้นๆเช่นม้าสนามม้านั่งสนามก็อี้สนามอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ เ, เล็กๆน้อยๆจิปาถะ ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยปัญชาการฐานพัฒนาซึ่งเขาก็ไปทำกิจกรรมที่นั่นเยอะนะคะผลเอกสเตียนเพิ่มทองอินซึ่งศึกษาอยู่รุ่นนี้เหมือนกันก็เลยถือโอกาสในกิจกรรมที่ทางหน่วยงานได้ทำให้กับทางประชาชนอยู่แล้วเนี่ยได้เอาไปมอบในวันนั้นกันด้วยในบางส่วนก็เล่าให้ฟังนะคะว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราที่เกิดมาเนี่ยหากมีโอกาสฉกช่วย ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์ไม่เพียงแต่ของตัวเองเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์ของคนอื่นด้วยเนี่ยคนทำเนี่ยก็มีความสุขเพราะเาะมีความสุขมากกว่าคนที่ได้รับมันะคะและเดีฉันเชื่อว่ากิจกรรมในลักษณะเช่นนี้เนี่ยในสังคมไทยมีการทํากันเยอะค่ะทํากันมากจริงๆแล้วเราก็ต้องให้กําลังใจท่านที่ทากันอย่างนั้นแต่ที่พูดถึงเรื่องของคนหนีไปหาความชุ่มชําปอด ในที่ที่มีอากาศเย็นเนี่ยสิ่งที่ได้พบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนหายากจริงๆยิ่งถ้าเป็นห่วงเวลาที่มีการหยุดใกล้เคียงติดต่อกันเนี่ยเต็มไปหมดหลายปีก่อนที่ฉันจําได้ว่าตอนนั้นเป็นคนทํางานมากไม่ค่อยมีโอกาสได้พักเท่าไหร่เราก็เกิดความรู้สึกว่าเออเราอยากขึ้นเหนือตอนหน้าหนาวจังเลยพยายามจองตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่จองไม่ได้สุดท้ายจองตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศง่ายกว่า ก็เลยยอมเสียเงินแพงขึ้นมาอีกหน่อยจำเป็นนะนะคะตอนนั้นอากาศดีๆความจริงแล้วมนุษย์เราช่วยสร้างได้เขาบอกว่าการที่เราปลูกต้นไม้ยิ่งจะเป็นต้นไม้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะคะต้นหนึ่งก็มีความหมายมากเพราะว่าจะช่วยทำให้อากาศเสียคือคาร์บอนไดออกไซด์ลดน้อยลงแล้วก็นำเอาออกซิเจนมาให้พวกเราได้ อยากมีอากาศดีใกล้ตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องลงทุนในการปลูกต้นไม้กันสักหน่อยผู้บริหารเมืองเนี่ยนะคะถ้ามีวิสัยทัศน์ดิ่ฉันไปสิงคโปร์ทีไรก็ต้องกลับมาระลเริ่มละลักเรียกร้องเท่าที่จะเรียกร้องได้ว่าเข้าบริหารเมืองในลักษณะของการเก็บต้นไม้เอาไว้เยอะ <c oughs> ก็เลยทําให้มันชุ่มชื่นหัวใจนะคะวันนี้เราก็ทักทายกันด้วยการที่อยากจะให้บรรยากาศดีๆ มันเกิดเพิ่มมากขึ้นแต่เนื้อหาหลักของในรายการก็ยังเป็นเกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธองค์อยู่พยายามจะเอาสถานการณ์ที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะให้พระคุณเจ้าซึ่งศรัทธานในแนวทางนําเสนอพุทธวจนะทำวินัยจากพุทธโอดเนี่ยได้เอามาตอบคาถามซึ่งพระภบูรณ์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศก ค, ค่ะท่านจะรับภาระหน้าที่นี้อีกอย่างหนึ่งนะคะอยากจะกล่าวเรียนให้ทราบว่าช่วงปีใหม่ท่านก็เมตตานําเอา สคสมาแจากให้เป็นร้อยแปดตถาคตภาสิทธิ์คือหมายถึงว่าคำพระพุทธเจ้าที่คัดมาสั้นๆเอาไว้ให้เราได้อ่านได้ใกล้ครวนกันทราบจากทางสถานีว่าได้รับความนิยมมากกำลังจะขอเพิ่มเดี๋ยวจะหารือ ก, กันนะคะว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปใครที่สนใจอยากได้เดี๋ยวติดตามต่อไปค่ะพักสักนิดแล้วเดี๋ยวไปพบกับพระอาจารย์ไพฑูรย์ด้วยกันนะคะสรรหาเรื่องราวดีๆ ชี้ทางบรรเทาทุกข์บรรลุซึ้งซึ่งปัญญาในสันสนีสนทนา สวัสดีครับผมพิษนุชเองนกลัดวันนี้ผมมาแนะนําทิปในการรวยเบ้นรวยเงินล้านง่ายๆครับแค่ฝากสลากลอตสินพิเศษชมหมาอายุ5ปีเพียงหน่วยละ100บาทคุณก็มีสิทธิ์ลุนลุเบ้นถึง10ขันฟังไม่ติดหรอครับรุนเบ้นเตือนละขัน2เดือนสุดท้ายลุ้นเดือนละ3าขันตรวยแถมดลุวันที่1ร่20ล้านบาททุกเดือนฝากครบกําหนดรับดอกเบีย้ยสูงงานนี้ฝากก่อนลุนรุนเบ้นก่อนถึง30เนษายนปีหนะ้าโทวเลย1115 ตอบถามท่านฝังค่ะตอนนี้พระอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนคอยพบกับท่านฟังอยู่แล้วในช่วงถามโลกตอบธรรมนะคะนมรส ก, การค่ะท่านค ะ, ะเช่อาจารย์พรค่ะอุดอรอย่างเย็นนะคะตอนนี้อากาศเย็นอยู่<ม>ก็อุ่นๆขึ้นมานิดหน่อยแต่ก็ยังเย็นอยู่ค่ ะ, ะหลักสูตรปฏิบัติธรรมของท่านครั้งนี้จบหรือ ย, ยังคะเออก็หมดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทำเป็นเวลาเจดวันเป็นไปได้ด้วยดีนะคะใช่เรียบร้อยดีก็มีผู้เข้าปฏิบัติประมาณเจ็สิบกว่าคนอ๋อค่ะครั้งหน้าเปิดเมื่อไหร่คะท่านคะครั้งหน้าก็จะเป็นเดินกลุ่มพาอ๋ออีกไม่นานนะคะใครสนใจก็ค่อยติดต่อประสานไปก็แล้วกันที่วัดปารดอนไห้โศกอุดรธานีค่ะท่านคะวันนี้เอาเรื่องเบาๆก็แล้วกันนะคะพอดีในห่วงเวลาสัปดาห์ที่ผ่านมา เรื่องของไทเกอร์วูดเนี่ยได้รับความสนใจมากพอสมควรสําหรับในประเทศไทยอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นคนมีเชื้อไทยด้วยนะคะมีเป็นแม่เป็นคนไทยเนาะใช่ค่ะ ไ, ไทเกรอร์วูดมีกิก๊กแล้วก็ฟังแบบมันดูเหมือนเป็นประโยคน่ารักแต่ไทเกอร์วูดสคงเครียดหนักนะคะข่าวที่ออกมาบอกว่ากิ๊กเขาค่อยๆโผล่ออกมาจนนับจํานวนแล้วก็พอสมควรทีเดียวออ่าจริงแท็หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบนะคะจริงแท็แค่ไหนอย่างไร ข่าวออกมาก็ในลักษณะที่ว่าไม่เพียงแต่จะมีปัญหาครอบครัวของคุณไทเกอร์วูดคือภรรยาที่เป็นเรื่องเป็นราวของเขาเนี่ยเท่านั้นแต่ว่ากระทบกระเทือนกับรายได้อาชีพการงานของเขาเหมือนกันเพราะว่าปกติพวกแมกกีลาดังๆเนี่ยก็จะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับเสื้อผ้ากีฬาบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็พวกสปอนเซอร์เหล่านี้เห็นข่าวออกนะคะว่า บางรายก็ถอนตัวโฆษณาทีวีที่ใช้เขาเป็นผู้นำเสนอหรือพรีเซนเตอร์เนี่ยก็หยุดออกอากาศช่วงนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะคุยกับท่านเรื่องกิ๊กนะค่ะคำว่ากิ๊กนี่เขามีความหมายว่าอย่างไงก็หมายความว่าคนที่ไม่ใช่ภรรยาหรือสามีเป็นเรื่องเป็นราวแต่เป็นพวกเอ็กซ์ตร้าที่เกินมาค่ะเอาฟังความหมายพุทธเจ้าหมายว่าถ้าถ้าคนที่ อันนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดในกางถูกไหมค่ะ <c oughs> ความหมายที่บุรุษชาติหมายถึงของคนที่ประพฤติผิดในกลามเนี่ยอธิบายไว้อย่างไรค่ะ <c oughs> คือคนที่จ ะ, ะทํากระทำํำการประพฤติผิดในกางได้เนี่ยคือเขาจะต้องประพฤติผิดในผู้หญิงค่ะซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาค่ะ <c oughs> เป็นคนที่มีธรรมรักษา <c oughs> เป็นหญิงที่มีสามีมหญิงอยู่ในศีลหม่โดยที่สุดแม้หญิงที่เขามั่นไว้ด้วยปรมอะไร นี่ถ้าประพฤติผิดจารีตในรูปแบบนั้นนั้ น, น, นอันนี้เรียกว่าประพฤติผิดในกลามในทางกลับกันนะคะท่านคะคืออันนั้นหมายถึงไปยุ่งกับคนที่เขามีเจ้าของมีคนเขาหวงแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนนั้นอาจจะเป็นโสดแต่คนที่ไปยุ่งกับเขาซะเองเนี่ยมีคุณสมบัติ แบบนั้นคื อ, อมีเจ้าเข้าเจ้าของมีคนหวงกันอยู่ใช่ <c oughs> คือคนที่เป็นสามีผู้ชายเนี่ยนะแน่นอนเลยหน้าที่ของอฝ่ายชายเนี่ยคือต้องไม่ประพฤตินอกใจค่ะ <c oughs> เป็นผู้ที่พอใจแล้วด้วยภรรยาของตน <c oughs> อันนี้เป็นคําพระพุทธเจ้าเลยไหมใช่ <c oughs> พอใจแล้วด้วยภรรยาของตนคือไม่หองผู้หญิงอื่นด้วยความกำลังรละใคร่ ย, ยินดี <c oughs> นมเมรอ่รับเผ็ดเป็นอย่างนั้นดได้ไหม S <S คืออย่างพระพระพราชาหากระสัเนี่ยประชาชนจักรพรรดิเนี่ยนะหนึ่งในคุณสมบัติของพระชาชนจักรพรรดิเนี่ยจะต้องมีนางแก้ว <S <S ซึ่งนางแก้วเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือไม่ประพฤตินอกใจแม้ด้วยจั้ด้วยใจแต่กล่าวไปใหญ่ถึงการประพฤติร่วงด้วยกายหมายความว่าตัวของนางแก้วเหรอคะใช่ตัวของนางแก้วเนี่ยไม่คิดว่าจะนอกใจพระพราชาองค์นี้ <S <S ออเพราะฉะนั้นเหมือนกันถ้าเป็นเราเป็นผู้ชายเนี่ยเราไม่คิดว่าจะนอกใจคนที่เรานอนด้วยทุกคืนทุกคืนเนี่ย คือไอ้เรื่องการกระทำทางกายไม่ต้องคิดเลยไม่มีทางเกิดขึ้นเดี๋ยวนะคะข อ, อาถามย้ำให้ใแน่ใจนิดนึงว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าก็คือเป็นเป็นระยะตรงข้ามกันค่ะ <c oughs> แต่พระราชาอธิบายถึงหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนางแก้วเนี่ยนางแก้วนี่คุณสม บ, บัติของนางแก้วอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ประพฤตินอกใจแม้ด้วยทางความคิดค่ะเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันถ้าเราอ่มาดูฝ่ายชายฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นใครก็ได้ถ้าพอใจด้วยปรรยาของตนเนี่ยนะ เขาจะไม่ประพฤติล่วงใจล่วงเกินหญิงอื่นจะพอใจในภรยาของตนเพราะนั้ น, นเรื่องการกระทําทางกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าทางใจเนี่ยมันต่งงางออกไปแล้วเป็นผู้พอใจด้วยหญิงของเราแค่นี้พอจบอ๋อคิดแล้วก็ผิดเหรอคะคือเหมือนกับว่าเคยเข้าใจว่ า, าถ้ายังไม่เกิดการกระทําเนี่ยยังไม่ผิดเรื่องของการผิดสีเนี่ยไม่ผิดหรอกคแต่แต่ว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้น้อมไปแม้ในเรื่องทางกายกับผู้หญิงคนอื่น เพรา ะ, ะเรื่องทางกายเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนึกออกไหค่ะอ่าคือมันป้องกันที่เจ็ดอยู่แล้ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเป็นผู้พอใจด้วยหญิงด้วยภรรยาของตนเนี่ยบริบรณ์เป็นผู้พอใจด้วยภรรยาของตนเนี่ยจบเลยแล้วมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาล่ะคะท่านคะเพราะว่ามันดูที่ต้องถามท่านละเอียดอย่างเงี้ยบางคนก็มีความรู้สึกเอ้ยนี่มันเรื่องส่วนตัวมากเลยนะ uh huh. แล้วก็อผู้หญิงที่เป็นกิ๊กก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยแ ล, แล้วบางทีก็บอกว่าเขาก็บริหารได้เนี่ย ภรยาเป็นตัวเป็นตนก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาจริงๆนะเราเป็นคุณสมบัติของสัตว์ปรุษเนี่ยนะถ้ามีคนเอาความดีของคนอื่นมาพูดเนี่ยมาถามเป็นความไม่ดีของบุคคลอื่นเนี่ยเราก็นิ่งไว้พูดน้อยๆไม่นํามาเปิดเผยให้ปรากฏนะถ้าถูกถามคนี่คือคุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นสัตว์ปรุษเพราะฉะนั้นในนะยนี้เนี่ยเราก็พูดในอเป็นเจนเนอริกเป็นข้าวๆว่าเออ มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างผู้ชายเนี่ยไม่ควรจะนอกใจภรรยาตนค่ะผู้หญิงทํำยังไงสําหรับคนที่เป็ภรรยาอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น อ, อ่ะโอจะทจําใจยังไงอย่างสมัยก่อนที่เรื่องอื้อฉาวของอ่าเยลลี่กับใครล้าของคลินตันคลินตันอ่ามิสอะไรสักอย่างหนึ่งที่ห้องลูกค้า ที น, นี้ว่าอันนั้นก็เหมือนกันก็ทําอย่างที่ฮิลลรีทำก็ได้แต่มันก็คือนิ่งเอาไวแ้วแต่เราก็ทําแต่ความดีเป็นผู้มั่นคงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของภรายาที่จะต้องทําเนี่ยก็คือว่าเอ้าเขาประพฤติ น, นอกใจเราจะไม่ประพฤติ น, นอกใจคเพราะว่าอะไรถ้าเราประพฤติ น, นอกใจไปแล้วเนี่ยมันไม่คุม้มมันเป็นการเบียดเบียนตัวเองแต่ต้องต้องรักษาคนอื่นด้วยการรักษาตน แย่ที่เราพูดกันบ่อยๆนั้นาการไม่เลี่ยนเบียนค่ะเท่ากับว่าผลเสียของการที่ประพฤตินอกใจแม้แต่ความคิดเนี่ยคือการเบียดเบียนตนเองหรือไงคะการประพฤตินอกใจโดยความคิดเนี่ยก็คือการเบียดเบียนตนแล้วเพราะว่าจิตของเราจะสะโครกอ๋อแต่กายวาจา ย, ยังไม่โสโปรกใช่แต่มันก็มีแนวโน้มไปในทางนั้นนี่ขอไหมแล้วมันจะส่งผลเสียแบบเป็นรูปธรรมให้กับคนที่มีจิตที่ บอกว่าจบกระปกอย่างนี้ยังไงคะเรื่องการงานเสียแน่นอนเพราะว่าหนึ่งเขากินในเรื่องกรารกินในเรื่องกรารกินในเรื่องปัญญาบา่ายกินในเรื่องเบียดเบียนจิตไม่เป็นสมาธิติดไม่เป็นสมาธิจะเป็นผู้ที่มาเนี่ยสามารถมาวางกับดักอะไรทําอะไรผู้หยี่ผู้ยามเราไม่ทางตาก็ทางหูไม่ทางหูก็ทางสมุกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานของเราเนี่ยความสามารถในการที่จะคิดการงานตีกอล์ฟให้ดีอะไรมันจะลดลงออืเป็นไปได้แน่เพราะว่าสมาธิมันตก ทำไมสมาธิตกเพราะคิดเรื่องการทําไมคิดเรื่องการเพราะว่าจิตน้อมไปผู้หญิงอื่นค่ะกายยังไม่ทํานะวาจา ย, ยังไม่พูดแค่คิดอย่างเดียวก็แย่แล้วอื ม, อมงั้นว่าจะถามท่านว่าหัวอกพัญยาต้องทําอย่างไรอันนี้ท่านตอบไปแล้วสิคะว่าให้นิ่งๆ ต, ต้องอดทนนั่นแหละต้องอดทนต้องเมตตาต้องไม่เบียดเบียนค่ะอะ่ต้องอด้วยความรักใกล้เอ็นดูค่ะอย่างนี้แล้วที่ท่านบอกว่าสันบุรุษเนี่ย รู้เรื่องคนอื่นเขาไม่ควรเอามาพูดต่อแต่ในแง่ของอาชีพสื่อนี่มันก็ลำบากนะคะยิ่งถ้าสมมุติว่าบุคคลนั้นเกิดเป็นบุคคลสาธรารณะโ ด, <แ>ด่งดังเขาก็ถือว่า เป็นเรื่องธรรมดาที่ในเมื่อคุณเป็นบุคคลสาธารณนะคุณต้องยอมสูญเสียความเป็นส่วนตัวอถามว่าสื่อเนี่ยถ้าถ้าเราจะทํางานในขอบเขตของสื่อใช่ไหมถามว่าจะบอกยังไงจะพูดยังไงจะเสนอข่าวยังไงถูกไหมต้องคนที่ทํางานตรงเนี้จะต้องทําหน้าที่อย่างนี้คือถ้าเรามีจิตนะคิดว่าเออเรามีข้อมูลนี้อยู่เรามีข่าวนี้อยู่เปิดเผยออกไปนะคนนี้จะแตกกับคนนั้นคนนั้นจะแตกกับคนนี้ทําให้เขาเกิดการแตกกันแหม่สะใจจริงๆ อันนี้ไม่ควรทําค่ะแต่ถ้าเรามีความคิดว่าเอเสนอข่าวนี้ไปจะทำใ้เกิดความร้องเรียงยินดีในความร้อมเรียงเป็นผู้พอใจในความร้องเรียงแล้วเสนอข่าวนี้ออกไปก็วันดีมากเสือจะคิดในแง่นี้ก็ได้นะคะว่าบุคคลสาทรานะทั้งหลายขอให้จงรู้ตัวว่าท่านเป็นเหมือนกับโมเดลเขาละคะต้นแบบเป็นคนต้นแบบ <c oughs> ของสังคม <c oughs> จงทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดี แล้วแล้ว<ช>ถ้าจะาพูดหรือจะคิดหรือจ่ว่าจะจ ะ, จะแสดงออกไปเนี่ยให้พูดอย่างนี้ถ้าจะนําเสนอข่าวเนี่ยให้เสนอว่าอ้อย่างนี้อย่างนี้เป็นทุกอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกอย่างนี้อย่างนี้เป็นทางนำเหนถึงความดับไม่เลยแห่งทุกความจริงมันน่าจะมีนะคะหนังสือพิมพ์ประเภทเนี่ยอ้าเราก็ทําก็ได้ไม่อย่างนั้นคือหรือจริงๆเขาก็อยากทํานะคะแต่อาจจะคิดในอีกทางหนึ่งว่าไม่อย่างนั้นหนังสือพิมพ์ไม่รู้จะลงเรื่องอะไรแล้วเนี่ย มันไม่เกิดเรื่องที่ใครอยากรู้เรื่องของใครเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรสุดโตกมาเรื่อยๆสบายๆเรียบร้อยราบรื่นค่ะอย่างอย่างพระเจ้าเนี่ยไม่ให้พระพูดกันเรื่องของท่านา้าท่าเรือเมืองหลวงเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี Led ่ยที่เป็นของชาวบ้านเนี่ยแม่พูดแต่ถ้าจะพูดให้พูดว่าแบบนี้แบบนี้เป็นความทุกข์แบบนี้แบบนี้แบบนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราสรุปอย่างนี้ได้งไงค่ะทีนี้ อ, อาละคะภรรยานะคะที่ท่านบอกว่าให้อยู่นิ่งๆ ให้อดทนไว้ไวให้เป็นผู้ที่ทําความดีต่อไป<ม>อไคตาอขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงเป็นคนไม่ประพฤตินอกใจนะจัดสรรจัดแจงการงานอย่างดีอืคิดดูนะสําหรับคนที่เป็นภรรยาถ้าเราตกอยู่สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยโอ้โหคนที่เราไว้ใจมาตลอดชีวิตทําไมหักหลังเราโอ้โหมันเจี๊ยดเหมือนกันนะและยังต้องเห็นแก่ลูกอยู่ทนดูกันต่อไปอีกเนี่ยใช่จี่เหมือนกัน เพราะนั้นถามว่าบุคคลนี้จะทยังไงก็คือว่าอันดับแรกเลยจิตของเราจะต้องไม่แปรปรวนเราจะต้องไม่กล่าววาจาเป็นบาปก่อนนางแก้วเนี่ยนะคะอย่ากล่าววาจ า, เ, าเป็นบาปแต่หมายถึงคุณสมบัติของคนทั่วๆไปเนี่ยผู้ที่มีจิตเมตตาเนี่ยจิตต้องไม่แปรปรวนต้องไม่แปรปรวนต้องไม่กล่าววาจาอัชั่ว ย, ยับค่ะแตนะ่แล้วถามว่าเแล้วปัญหานี้จะแก้อย่างไรใช่ไหมก็คือ อ, อดทนไว้ก่อนถ้าเรายิ่งใส่ไฟเข้าไปเนี่ยยิ่งทะเลาะกันเนี่ยเกิดการมาจาที่ทาให้ทุ่มเถียงกันเนี่ยไม่ดีแน่นอนค่ะเพรา ะ, ะนั้นจิตของเราเนี่ยจะต้องไม่เปื้อนไปด้วยสิ่งไม่ดีก่อนอนะแล้วก็อดทนเอาไว้แล้วก็ค่อยๆ ค, คุยกันค่อยๆพูดจากันอย่างนี้อืมค่ะต้องใช้ธรรมะเข้าคมได้ข้อสัมมาวายามะสัมมาวายาสัมมากมัมมันตะหลายอย่าง ได้ว่าเหมือนปฏิบตัติมรรคแปไปด้วยเลยถูกต้ อ, องก็มรรคแนั่นแหละที่พระเจ้าบอกสอนอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าถ้าทำมรรคแแล้วเรื่องพวกนี้ก็จะสําเร็จด้วยเลยต้องพูดเรื่องใหญ่มาเอาเป็นร่มของเรื่องย่อยกันแล้วกันนะคะใช่ก็อธิบายเป็นกรณีกรณีไปได้ค่ะอันนั้นพอจะเรียกก็เป็นสูตรเสน่หาที่ทําให้คู่รักจะอยู่ด้วยกันยั่งยืนไหมคะถูกต้ อ, องเพราะว่าอย่างกรณีที่พราหมณ์น่ยมีพระมณีองค์หนึ่งทําพิธีอะไรต่างๆนานาเนี่ย<ม>เขาก็เอา อแต่งตัวอย่างดีมัดมวยผมอย่างดีลงแช่ในน้าถือหญ้าเอาไว้ห้ากรรมอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วก็ลงน้ําก้มเงยๆบอกพระวิชาการธรระไหลว่นี่เป็นสูตรสูตรของการที่จะทําให้เราบริสุทธิ์อืมพิธีเขาเรียกว่าปัญจโรหิณีค่ะอุไาบอกโอ้ในธรรมะวินัยของเราก็มีพิธีแบบนี้บบนกันนะและอธิบายให้ฟัง <Okay. S 2> ว่าเป็นอย่างนี้นี้นี้น<อ>ีอ้อธิบายมรรคแปดให้ฟังอ๋ออธิบายมรรคแปดว่า เนี่ยลองคิดดูสิถ้าเราเจอเรื่องที่ไม่ดีนะและเราเอาความไม่ดีเหล่านั้นออกจากจิตพยายามเพียนอันนี้เป็นสัมมาวยมายามะละค่ะนะการให้ทานมีผลกรรมดีมีกรรมชั่วมีบาบุญมีเชื่อแบบนี้อันนี้เป็นสมาธิทิละอธิบายมักแปดไปมีสมาธิมีสติอ่ามีการทําความดีทางกายวาจาอาชีพก็บริสุทธิ์ค่ะ อธิบายให้เข้าใจอย่างนี่คือสูตรสาเร็จของการที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยจะดำรงชีวิตด้วยความเป็นอริยะความประเสริฐได้ก็เรียกว่าเป็นสูตรครอบจักรวาลที่ไม่ลับของพระพุทธเจ้าที่ใครไปปฏิบัติก็ได้ถูกต้องส่วนจะได้ผลว่าสามีจะเปลี่ยนดีขึ้นหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องบุญกรรมของเขาแต่ตัวคนปฏิบัติคือพัญญาเนี่ยดีแน่ดีแน่นอนคะ เพราะว่าบุคคลผู้นี้ถ้าปฏิบัติตามมรคแเนี่ยพระเชษฐาอธิบายมรคแปดเนี่ยเปียบเส ม, มือนรอยเท้าช้าง <คะ S 1> ว่าไม่มีอะไรในสัตว์ที่เดินบนบกเนี่ยนะจะใหญ่ไปกว่ารอยเท้าช้างและที่มียังมีชีวิตยอยู่ใณปัจจุบันนี้ <คะ S 1> นะในดาวเสาร์นี่ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นรอยเท้าช้างที่ใหญ่ที่สุดก็คืออธิบายถึงมรคแปว่าเนี่ยเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างธรรมะทุกอย่างจะไหลลงมารวมตรงนี้คนที่ปฏิบัติตามมรคแปดเนี่ยเป็นคนที่พระเชษฐาบอกเลยว่าเป็นอริยเป็นคนประเสริฐ ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณเอกก็จะมาติดเทียนได้ยังไงว่าโหเธอเป็นภรรยาถูกสามีนอกใจแล้วยังเฉยได้อุ๊บโหประเสริฐจริงๆริงค่ะอะันนี้ต้องศึกษากันมาร์กแดสนใจก็เป็นเรื่องที่ในรายการได้พูดกันอยู่เป็นประจํานะคะ<ช>เข้าใจว่าพูดทุกวันด้วยซ้ําเป็นเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของมาร์กจะมีอยู่เสมอใช่ใท่านจางก้าววันนี้พอดีกําลังจะพูดเรื่องอพุทธประวัติจากพระโอท<ม>ที่จ่าให้ฟังเนี่ยคราวที่ พระพุทธองค์มีพระชาติเป็นจุลโพจุลโพที่อจุลโพ <So S 2> ใช่ไหมไปอ่านมาก่อนนี่รู้สึกว่าทําไมพระพุทธองค์เป็นอย่างนั้นล่ะคะ <hum> ก็ภรรยาสวยขนาดนั้นมีพระราชามาฉุดคร่าเอาไปอืโกรธก็โกรธแต่ยังยอมให้ไปอะค่ะ <hum> แล้วก็ไม่ทําอะไรพระราชาที่มาแย่งไปด้วยอืถามว่าอ ทำไมพระรูปเจ้าตอนที่ในขณะนั้นที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้แก้ไขได้โดยการที่มีกําลังในการไปดึงกลับมาก็ได้สมมแต่ไม่ทำํำเพราะว่าปรารถนาซึ่งสัมโพธิญาณโพธิญาณ mm. ถามว่าโพธิญาณดียังไงก็คือว่าถ้าเราดึงกลับมาเนี่ยแล้วเหตุการณ์เนี้ยความทุกแบบเนี้ยมันจะต้องเกิดซ้ําแล้วซ้าเล่าทําแล้วซ้าเล่านับพบนับชาติไม่ถ้วนแต่ถ้าสําเร็จโพธิญาณเนี่ย ทั้งนี้ทั้งเดียวครั้งสุดท้ายแล้วจบอรายละเอียดเป็นอย่างไร<ๆ>เดี๋ยวจะให้ท่านฟังฟังเพราะว่าตอนเนี้ต้องขอเวลาท่านไทบูลแล้วนะคะคนมอสัการขอบพระคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ค่ะใช่แตพรถามโลกตอบทันท่านฟังคะทั้งกาลังฟังรายการสัมสีสนทนาอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอ แสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจริมพระเกะียรติค่ะเมื่อสักครู่ได้เกื้อนนาไปว่าวันนี้จะอ่านพุทธประวัติจากพระโอส์เป็นเรื่องการบําเพ็ญบารมีของพระพุทธองค์ในบุรพรชาติคือชาติก่อนๆที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าพระชาติที่เป็นจุลโพรหรือจุลโพธิเนี่ยคะ่ะตรัาวว่าชาติอื่นอีกเมื่อเราเป็นพราหมณ์ชื่อจุลโพผู้มีศีลมองเห็นพบด้วยความเป็นของน่ากลัว จึงได้ออกบวชพริยาเก่าของเราเป็นพราหมณีมีรูปดังธรรมด้วยทองแม้เธอนั้นก็ไม่ประสงค์ต่อการเวียนไหวในวัดตะจึงออกบวชเสียด้วยกันเราสองคนเป็นผู้ไม่มีที่อาลายัยตัดขาดจากพงพันไม่มีความมุ่งหมายอะไรในตระกูลและหมู่ชนเที่ยวไปตามหมู่บ้านและจังหวัดลุถึงเมืองพราราณสีแล้วณนะที่นั้นเราบาเพ็ญปัญญา ไม่ระคนด้วยหมู่คณะอยู่ในราชอุทยานอันไม่มีผู้คนเกลื่อนกลนและเงียบเสียงพระราชาเสด็จมาประพาสสวนทอดพระเนตรเห็นนางพรมามณีก็เข้ามาถามเราว่าอย่างนั้นเป็นภริยาของท่านหรือของใครเราทูลตอบว่าไม่ใช่ภริยาของเราเป็นเพียงผู้ประพฤติธรรมร่วมกันถือคำสอนอย่างเดียวกันพระราชา กำนัดในนางพรามณีนั้นรับสั่งให้จับและฉุดคร้านางไปโดยพระลากาณสู่ภายในพระนครเมื่อฉุดค้านานางไปความโกรธได้เกิดขึ้นแกเราแต่พร้อมกับความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นเราระลึกขึ้นได้ถึงศีลวัดในขณะนั้นเองเราข่มความโกรธได้และไม่ยอมให้เกิดขึ้นมาได้อีกเรารู้สึกตัวว่า แม้ใครจะทำร้ายนางพรามณีด้วยหอกคมกล้าเราก็ไม่ทำลายศีลของเราเพราะเห็นแก่โพธิยานมากกว่าเห็นแก่นางพรามณีแต่ใช่ว่านางพรามณีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่และใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังวังชาก็หาไม่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงตามประคองศีลไว้ ถ้าจำไพบูได้อธิบายเรื่องนี้ไว้ไหนข้างต้นแล้วนะคะฟังแล้วก็คงจะรู้สึกว่าหืมช่างบาเพ็ญบา ร, รมีได้อย่างไรสำหรับคนธรรมดาแบบเราๆท่านๆแต่เนี่ยล่ละคะ่ะก็เป็นการสั่งสมบา ร, รมีที่ทำให้ในพระชาติที่ท่านที่เกิดมาเป็นนะคะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เลยได้เป็นพระพุทธเจ้ า, าท่านฟังกำลังฟังรายการสัสนิสนทนคะ่ะรายการนี้นะคะ เรามีร้อยแปดตถาคตภาษิต น, นะคะแจกให้ท่านผู้ฟังเป็นสคสอของปีสอ5 3อซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนะคะแล้วก็มีผู้สนใจมากเราจะแจกให้พร้อมกับท่านที่ได้ขอเข้ามาพร้อมกับขอหนังสือพุทธวัตฉบับ9้าย่างอย่างพุท ธ, ธะซึ่งจะเป็นหนังสือที่รวมเอาพุทธวัจะนะ ในเรื่องธรรมและวินัยที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ซึ่งพระอาจารย์คือริศโสธิพโลได้มีลูกศิษย์รวบรวมแล้วก็นำออกมาถวายท่านท่านก็มอบมาให้แจกเนี่ยนะคะวันละห้าเล่มด้วยกันซึ่งก็เท่ากับว่ามีร0 8ยแตถาคตเนี่ยอยู่ให้กับ5ท่านกำลังพยายามที่จะขยายเป็น10ท่านเดี๋ยวขอไปอตระเตรียมกันก่อนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนะคะติดต่อมาที่022690006ค่ะนะคะและ